ผู้มารักษาศีลผู้มารักษาศีลได้เปลือกไหมเออคืออย่าบมือไม่ตัวนี้ตัวคุณมันเมือย <laughs> รอมันเสียงมันไกลต้องมีต้องมีไม่ตัวใกล้ๆ น, นี่ยเราต้องเอาไก่แล้วเขาเบาปากเป้าก็ได้ยินกันอยู่แล้วคือไก่กัน <laughs> นะคือบุคคลผู้มารักษาศีลเนี่ย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 นายุไส่อดอยากฉันันมณีเฮามากเลยมากเริ่มเปลือกกระพียงเขาได้หลแล้วล่ะแม่นบอกแต่มาว่าเต็มบ้านะกระเพียงเขานี่กระเพียหลายแล้วจำเม่วาดแม่เฉลยภาพพยายามวัดอ่ะอาจารย์อะไรเงาะวัดชัมงคลอาจารย์สุพัฒนไปเห็นลูกนิมิตกได้จองแล้วเพิร์ได้เปลือกมาแต่เปลือกมึงเงยหนึงเฮือกได้จองไปจองลูกนิมิตเพิร์ดาลูกหนึ่ง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 นั่นและเช่นนันมนีก็เป็นมือวันวิสาขบชูชาก็อยากบอกจากน้อยหนึ่งเกี่ยวกับวิสาขเพราะเป็นน่ะความหูห้องอย่างขีลายก็เป็นน่ะนําไปสู่วิปัสสนาได้น่ ะ, น ะ, นะย้อนยังย้อนน้ำนึ ก, นกถึงพุทธเจ้าเนี่ยจังผู้ใดไปอินเดียนี่ยผู้ใดไปยังหรือผู้ใดไปให้เบิ้งแขกหรอกไปจุดประสงค์ไปเบื้ง ออมองประสูตรมองตัดสรุปมองปริญญ่านเพื่อนั่นะจากรตมาวาเนี่ยต่ก้อนียเอ้ยไปยังอินเดียว่าไงประสูตรตัดสรุปปริญญาผานยุ่ยจ่ายห้บดแล้วนะคือมันเกิดแจ่เก็บตายยุ่ในห้องบดแล้วนะเาต้องนั่งไปดอกนะแต่บัดไปแล้วมันก็ได้มิติอีกความโสึกหนึ่งนะเหตุในห้องนะเห็นสัรรหลายสิ่งหลายอย่างโอ้ก็ย่อนพระเจ้าบนตัดสรุปไปอินเดีย um, น่ย ขันเพลิน ม, มาอยู่อเมริกาาใช้หมตัดสรุพระพุทธเจ้าธรรมาวานะ่ะเออไปไปอินเดียเหรอโอ้ยนะะไปตปอยไปตะปงไแต่ว่างเพราะว่าวัตถุนิยมมันหน่อยเพล่นวานเป็นสองอวัก็ศาสาศนาอินเดียนล ะ, ล, ะละทิอ่ะนะต่างคนต่างสแสวงหาต่างคนต่างขว้าตุกมือก็ยังหาอยู่ตลอดขอันพระพุทธเจ้าหาไปให้แล้วยังบเบาเลยหาเอาไม่สนะ่ะบวมมกนาสิ่งที่พระเจ้าหา นะลบเลื่อนไปหาไม่หาแบบก็เก่าเขานัา่นละนะไปอาบน้าคของคาแน่ไปทรมานของแน่ไปเป็นดาบดเป็นโยคกขี้ไปในเฮสมัมมาทิไปเอากัะพีไม่อันนี้เอิยนว่าอินเดียฉะนั้นมองไปมองต่้งต่า ง, างนมองประตรลุมพินีทุกมือเข า, เขาไปสั่งพระทรุปพระที่เจ้ายืน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 อาที่นี่เขาในวิสาขาจาหน้อยหนึ่งเนาะเอาสาระเพิ่มหน่อยเพราะว่าวิสาขาเนี่ยเพิ่็ไปเวียนเทียนไปท่ามบนตักบาทกันก็ได้ได้เปลือกได้กระพีได้แก่นได้ได้เปลือกได้ใบไปเตรลายเติบย์ย่ดอกก็ดีอยกก็รักษาไว้นะรักษาไว้ห้องผู้ที่ฉลาดก็ได้กินผู้บัญชาดก็รักษาไว้หัวนะเอาที่นี่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 นะถามว่าไทยต่อยฝรั่งก็เสียบ่ก็สายหัวเลยเนี่นะเป็นไปบ่ได้นะ Impossible หรือมันฝรั่งบต่ทีนี้พอแต่ว่าตั้งสั้นแล้วเนี่ยมันก็ถาแรกไว้ผลตรัสนะยังบม่ได้เป็นพระุทธเจ้าเด้นะ่ะเพิยงแค่เป็นพบริศัทธาเฉยๆนะบต่ทีนี้มือแต่ละ ตัดค้าถามือเดียวกันแต่ว่ามือคนละวะาละประเด็นนี้มือตัดสลูบ่ะนะมือตัดสลูบหลังจากที่บรรลุน่ะปุเพนิวะศาสนุสติญยันปุเพนิวะศาสนุสติยาน อ, านาา ต, านอาตีตังจตุวรัตยานนะครับอสวรรค์ยานน่ะ3 า, ายานแล้วเพป็นจะค่อยมา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 นะขณะอยู่ซื้อแนะนำห้เขาปฏิบัติธรรมไดม้อารมณ์แนะาำได้อยู่ซื้อจิตหูสึกตัวตัวฟอมปั๊บเลวโอ้มันมีแห้งใจเด้มดนะอมโนละคะอมีความสุขเด้เสียเกิดว่าบื่อยากเกิดอีกฉะนั้นหลายคนนี่บื่อยากเกิดเบ่อยากมิซ่าต่อไปอีกนะเดี๋ยวคาถาต่อไปว่าอะก็อนะนี่แหน่นายช่างปลูกเรียนเนี่ยเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทําเรือนให้เราไม่ได้ต่อไปเนี่ยคัาเนี่ย คือคือเห็นโตปุงแต่งอยู่ของอะ่ะมันผัดสะเนี่หละ่ะผัดสะทั้งตาหูจมกูกลิ้นกายขนาดใจเนี่ยก็พูดขึ้นมาคิดเองก็มีนั่งอยู่ซื้อบริษัทผัดสะเนี่ยมันพูดขึ้นมาเองอะ่ะใจมโนอ่าคิดขึ้นมาซื้อเนี่ยนี่คือขั้นพลเห็นว่าโอ้มันคิดออเล่าเนี่ยน่ะเห็นนี่แล้วคิดเล่าขั้นพลเห็นตัวนี้ได้นะสี่หนาไปเลยนะทุกคนหรอกขั้นพลเรีเคยได้ร่มลุมลน้ํามันสี่โหวบัสสี่ ห, หนาไปเลยโอ้ตัวนี้มันเห็นเทาถูกอ่ะ ขากาลังกับนี่แน่ในช่างปลูกเรือนเรารู้ตัวเจ้าเสียแล้วตัวนี่ล้ำเทือเนี่โคงเหี้ยนเลยเขามันบ่เห็้เหี้ยนจังเลยครับป่งแต็งมินันมินี่นะจังว่าจานพันวาเน่ยอัตมาประกาปริยานตนเท่าแต่ก่อนปริย่นเขาเข้าใจทาไมไม่ไมหนอ้ยตายข้าพาเลีงดีแล้วท่านกีตันเนี่ยทนซุมที่ปริยนําการเนี่ยไปวันเดียวมัวแต่าก็ได เปลนประเด็เมูดพูดหนึ่งก็ว่าเสียว่าอเมริกานํ้องหน้าหน่ะว้ยเห็นพูดยิ่งง่ามมากเห็นแต่โค้งกระดูกท่านมหาหัวนเนีพยไปติดีเดียร์หัวสนเนี่นว่าวบนทรงภาษาสี่เข้าก็โหร่เลระวางยาฟ้าวปอดมูดมูหมูดที่นาเนี่ยเคยไปแล้วสินนะซุ่มถือวัตณะก่อนนะเพราะ่าไปมากไปอานลเลยก่อนที่ว่าอเมริกาบอมาดั้มนะศึกไปแล้วอืมนะ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 สแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปูเรือนเขา้าไายสองนะค่าตาลังควเวสันโตนะ่ะเราสแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปูเรือนแสวงหาพัดสะสวงแสวงหาเนี่ยเสแบแสวงหาเนี่ยมวนแสวงหาเนี่ยเนี่ยได้เสีใหายของมีความสุขนะก็นะได้เสียหายแสวงหาอยู่แล้วก็เกิดได้เกิดโดยดูก็จะเขา้าเขา้เขากินเขานะ่ะหากินแลวเสียบเบ่บบะติดได้ลถ ติดในรถในสาดเห็นไหมมันธรรมาเขาคำานีเลือกสึ่งเดียติดรถซาดนะคันโบแซบก็หานื้มาปุงให้มันบอนน่ะปูงให้เสีบเพื่อหมันเกิดรถซาดรถเดี๋ยวกยินดีรัศดเป็นว่ายินดีมักพ่อใจชาดไปเพาการาเกิดชาิไปเพาเกิดเกิดยินดีนะมันนะจะนั้นเขาเลยติดรติดสาข้างนัยังแสวงหาสิ่งหนีนอยู่กันโอ้ไม่ออกเอาดันมาจีนนั่ได้แซรบเลแปลว่า เ, าเริ่มน่ะแต่มาบอกพายยู่จะไปหา บอกเอาแนวคือไปบอออกมา ไ, ได้นะ้ะเพราะวันที่เกิดอีกเป็นเหตุให้เกิดขั้นพลายเบิดแสบแล้วแปว่าพลันมาต้องเกิดอีกเด้อเบิดแสบตั้ง่ไหกินยันก็ได้ที่เขาไมหหร่างกายในยูได้พอ่อประพฤติพบอาจรรย์พ่อห้เจ้าของมีเฮียมีแห้งพอ่อหาชีวิตในยู่ได้อันนด้ก็ได้ส่นะเอือ้อว่าโบสิเลียรการจีนบติดในโลสัตผู้นี้แนวโน้มซ บ, บ่เกิดอีก้อโบยินดีในการเกิด นั่นละเอินว่าสแสดงหาคนคนตัวไปถึงสแสดงหาในช่างปลูกเรือนอยู่แต่พระเจ้าคนสี่หนาเลยนี่เน่ในช่างปลูกเรือนคอยหู้แล้วเจ้ามาสั่งต่อไปเจา้าสร้างคอยไว้เลยแล้วสงบจากนั่นมาบวปูงแต่งนะนั่งจากนั่นมากันนั่งที่ดามพยาหม่านได้นั่งตันหานั่งอาราดีนั่งารงาคะมาฝอนลำงามงามนวลนว น, วนโว้ย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 สิปฏิพันธ์แล้วมิมีต่อไปมิผูรมาบังคับข่อย่นสุปัะนะต่อไปมิผูรมาบังคับข่อยดีใจผู้ัสมนพวกเจ้าจะไปเสียใจเหตุยังวสันวาดีตัวเพื่อนปฏิพันธ์มิตรต่อไปเพาเตอย่างไรมิตต้องมิผูรมาอันนั้นถือกันีนผิดอันนี้ดีอันนี้สวท่านนะองค์ดีใจก็มีแต่ไงองค์เสียใจก็มิห้องให้กัแต่ควาคบอยู่มีองค์หนึ่งเลาบอกเล่าไปเดินตุกลมอยู่พูน่ะ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 คำแสนเนาะเป็นยังคำแสนมาปลูกเศษเจ้าของน่ะปลูกให้มันตื่นเศษศึกษาเศษปลูกไปว่าให้มันตื่นขึ้นมาเศษมันหูเลียนหูจิตเจ้าของเลียนหูวิธีจิต้าของเรียนหูศีลสมาธิปัญญาเนี่หละนีไปปลูกเศษไปปลูกเศษวัตถุน่นอ่าพจนมีคมสมารถปลูกเศกอ่ะตามพนเถิแต่เขามันมีคมสมาธิสั้นเขามาปลูกเจ้าของนะปลูกให้ตื่นอันอื่นตื่นก็มีปะโยทัเจ้าของตื่นถูกันบอกั้นเจ้าของตื่นเน่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 มือเพื่อนมรนะภาภพเพื่อนบอกพะระเรต้องมาเรต้องม า, งมาบวชมาข้ามข่อยนะเพื่อนเห็นเลียวไปเห็นไม่ออกเขานั่งเต็มสวนทับมิงขวเห็นไหมนั่งประทับเขา่จาจัน่านเตมแต่วาเบิงวิดูดออกเกิดเพระท่านบวชเพราะท่นานบวชเ่ราะเพื่นมรนาพเราต้องมาบวชปีสามสามหกนะต้นปีสามหกนะเห็นเพื่อนในวี ด, ดูดไม่ออก น, นั่งยกมือสับหลาบแล้วก็เห็นหพ่เทียนเขอยยกมือ สังแค่ว่ายกมือคนบริษัทเป็นรูปแบบต้องพยกให้เห็นว่าคอยยังมีสติอยู่เด้อเนี่ยเนี่ยก็ค่อยมือลงนะยกขึ้นยกลงให้หัวเพิ่นมีสติอยู่คุมเวทนาของใดแล้วสุดท้ายคนก็เหยียดขาคือมือยกขื่นแล้วเอ็นดึงขื่นแล้วมันนีเบิดเพื่นก็ค่อยกู้ขาะดึงขามาเนี่แล้วก็ค่อยเดียวไปเยียวไปป้าก็จบพอดีไปเพิ่นบ๊อบไทยพูดเดยมะไก่ หมอไ่ต้องรักษาคนหมอไม่ต้องรักษาแล้วนะเพื่นไปโดยมีสติสอนจนตายสอนจนมรณภาพอันนี้คือหลวงปที่นกับเทียบเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าว่าอะไรดอกแต่ว่าอุบัติเห็นว่าการปฏิบัติบูชาี่เป็นการบูชาอย่างสูงสุดบทสนิกรผลผลิตพันผลิตตรัสอีกขาถาสุดท้ายก่อนสิบวันปลายแล้วเพื่อนใส่คําว่าหันดทานินพิฆเควอมันตยามิโว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 นะขากลอนเข่าง่ามงามเพิม่มเขาดึงขึ้นไปก้อนเข่นานะเอาเข่าขึ้นไปแล้วเขาเริ่มเอาหัวขึ้น่ตึงขึ้นเอาตาขึ้นไปนะเอาผมนะเปลี่ยนสีหายเหนตัวเพื่อให้เกิดความสังเวชมันบ่ห้เขาหลงมันนะเปลี่ยนผมเปลี่ยนผมใหม่เปลี่ยนหนังหา อ, อเริ่มดึงหนังเลยียนมันนะดึงหนังให้ยย่นนะนะจากนั้นก็หักแขงหักขาตัวคนหนึนะ่งนั่นบอ นะดึงแข้งดึงขาไว้นะแต่ประเดี๋ยว้งบืนไปเยอโอ้ยปรดก็ต้งลุกยเยอะบนยอมมันเลยน่ะคอยหักแข้งหักขาไปเรื่อยสุดท้ายก็นอนหลบหมอนนอนเสื่อไปเมื่อไรจะเนี่นี่คือความเสื่อมไปเจานั้นคำว่าไวเนี่แปลว่าเสื่อมเนอะเจริญไวเนี่ยแปลว่าเสื่อมนะวายเสื่อมไปขีอายุไขเ่เห็นบอเครื่องเงี้ยวอายุไข่บอ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 สัพเพสตามารันติจะมาริงสุจามลิสเลแต่เทวัลยมลิสสามิณติมเอตสังส ย, ยุบุตัดไว้ญาาพปุซักบรารสกุลนะฮเดยเ ค, ย, เค ย, ย, ยได้ยินเด่นบะญาาพปุซักบงสกุลน่ะมามักใสขาทาสิเพราะว่าธรรมา ล, ล, ล, ล, ล, ล, ลึกถึงคาแต้มฉะนว้าเพื่นก็บอใครลึกนึกถึงดอกอาโยมกับว่างปับับเพื่นกับอาสาถูกปุซักให้แล้วคือเพ้่นบอกว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงน่ะตายอยู่ก็มีกาลังสิ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 ไปอินเดียแล้ว ข, ลขันละคนไปยังวันเนี่ยไปไปขอสุนทรไปขอหลายกุวด้วยหลายกุวเป็นลึกนึกถึงเ น, ะ น, นาะสุนทรนะมีเพื่อนบอกว่าไปไปมงไปมองบาดไหมไปมงความบาทมนะันอัศจรรย์ยุทธ์ได้หนึ่งก็ได้คําว่าขอนะไม่เฉเลยมงความบาทอนะ่ะแต่มาเพื่นเขาไปขึ้นไปยึ ง, งแต่มาให้มันลอยเหรียญไปลอยล อ, อยรูปปีมันภาขึ้นไปยังซึ่งป่ณ มันหามพู้่นขึ้นเด้อขอให้เจ้าลอยหนึ่งนะว่ามาไปแอบเป็นเปนนนืองทึ่งหุ่นั้นผู้ระเฝงลอยหนึ่งลอยนึงได้ไปกาบเบ้องทึงสุดหุ่นไปกาบผู้จารบุญทรงผู้ทั่วปนว่าผู้ใดเบิ่งดีดเด้อตาดีคัข้าจะเห็นเลขอะคนมกถึงเลขที่นี่เดีดวยวสันมาไปเขากับวอาคิดเลี้ยงมูลนะีเนาะกับไปหอดไปไ ป, ไปกาบเบื้งทึงกัาบแล้วยกหัวขึ้นเพิ่เวอร์อเลขอะก็ม่คิดแต่ว่า มันนตัวดีบนอบบตเบ้่บอกดบอกผู้ใดเพราะว่าเาบออันนี้อยู่แล้วออพอได้กลับมาเลขออกสอมืนมันออกตัวใดนะสามตัวตรงๆที่อัตมาก อ, อกว่าลงไปติดอิดก้อนนั้นเลยนะแต่ว่ามัต้องไปเห็ที่เขาแล้วแหะมันบอกสัร้อยเมันบูกุนก้อนนั้นเลอืะอะบอกโหแ้มันกรเืไปเลยเนาะผู้ใดสนใจว่ามันมือมือนั่นนะนะ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 นังมามาวัดมาทำบุญหลายๆเนี่แม่ปาถนาสิ่งใดหรือที่มาวัดเนี่ยเขาเป็นถามบูสาวก็บอกว่าโอ้ยผู้ขาปาธนาอ่อนว่อนปาธนาไปสู้ตระกูลเฮงสามีแต่อายุยังเกิดแต่น้อยแ ต, แต่อายุสิบหกปีคนอิเดียเขาพยายามขั้นเขาได้ไปแต่งงานอายุสิบห้าสิหกปีเนี่ขนเขาถือว่าดีขั้นเกิดนั่นแล้วกับบ๊วยูหยกมาแตงแ่งเลยวันนี้นะ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 มื้อผู้ปฏิปักษ์นานิพาทธ์เลยติคุณแม่มาวัดหลายๆเลยนะนี่ยคือขนาดข้างพุทธกาลเนี่ยสดนเท่าก่นมาปาธนายังปาถนาความพนทุกนล่ะมีพานบัตรงวชก็ได้หรอเอาเอาพ่นทุก็เอาคว่ำบัตทุกหน่อยเนะเริ่มจากทุกหน่อยทุกหน่อยลหน่อยลงหน่อยลงหน่อยลงนะจนมันเย็นเฮตเดนซิปรทุกคนเย็นเนาะคุณแม่ยังก็เริ่มซื้อเล่เออ คำเพียนแม่คำเพี้ยนลืมถาแล้วล่ะจำเป็นเพี้ยนเพียน่ยลืมคำหนาคำเพียนป้าสือดีเปแต่เพี้ยนน้ากันแม่สีทองได้เนาะเปียนคำเพียนเีวโอ้คำเปียนอะเปียนมาศาสนะเปลี่ยนวัดมาว่าเปลี่ยนมาถือศีลเออเปลี่ยนไปเนาะส่วนแม่หนูเล็กยนส่วนแม่แม่หนูเล็กบมั่นใจส ขัน้นอยก็ต้องมาปะิบติาต้องการสนทนนี่นะถารเราเราสั่งสมเมนูเล็กฟังประวัติเล่าเราสั่งสมเปียก ไ, ไม้ไปหลายหลายสั่งสมสเก็ดไม้เปลือกไม้ไปเอาบนบ้านใดต่อกอนอย่เป็นพุ่นน้ำมูของไทยบ้านดูแขนวนสวั น, ข น, ขนเขติผมได้นี่ย่นะยบ้า น, น, นวกชนะิยมยนตผมได้ไปเอาเปือกไม้ันชิมย้อมไปธรรมดาด้วยเนา ะ, ะว่าที่เขาแกนซเลอร์บเดอร์ แก่นน้ำนะพอได้นะเป็นสาระแกนสารน้ออันนเนี่ก็คือสิ่งที่นะวันวิสาขมาอนี่นะแต่ว่าแต่ก่อนมานี่ยอยากมาปฏิบัติธรรมยุทธิที่จริงแล้วก็มีภาระอยู่ดอกนะเพราะว่าอย่างวัดตวนี่มืออื้อมือเอื้นมมืออื้อมถ้าค็ินีจากวัดบดเลียวองเดียวฝ่าวัดนก็เลยแต่ว่าศรัทธาในประจันอ่า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 คว่าเป็นไปทำให้ยังบุญนะมันบ่เป็นบะไรดิดนะตอนั้นดีเบอร์สุยางนะแต่คันเอาพระเจ้ามาอกเจ้าหนาวานเนี่ยพระเจ้าเป็นผูตัดตเออโอเคได้ยไปว่ า, าอื่นเด้อมามันวัดว่าอารามเขา อ, อยู่ในสิ่งที่เพิ่นมาอุปธรรมบารุงนี่แหละนะเพิ่งเกษมีมวลเน่ยเทวาดาเพิ่งากเป็นเทวาดาอยู่นะเนื่องเป็นเทวาดาจรงจกีฬาก็มีหดิโอตป ะ, ะเห็ุในห้องได้นัางปฏรอยู่ขย้อนเปียกไม่เพิ่งนิน่เนาะ